บุกท <Book> <77. S 3> ูเจ็ดสิบเจ็ดเซเด็กเ็เหตุผลบางประการสามพระวิกิเอียาทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะขี <S <S ้อาวินมันจะสะทอร์ตัน ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ ด, ด, ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์ค ะ, คะดิฉันต้องขับรถค่ะ ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะมนทรกัสจินารอังสทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะเพียงมินเนทรินกัสลาคาฟอนมันเย็นแล้วค่ะดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะมนรกัสจิน ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะมีนิฮับัสสุเครร์ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้าตาลค่ะทาไมคุณไม่ทานซุป คียลวนเนแมนจัสลาสซูปน์ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะมินเนแมนดิสจินดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะมินเนแสจินชาร์มิน m น n มนดิสทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะเีิบียดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะ ไม่สแตสเวเกตตาร์เนาดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะไม่ได้มันจะสินฉันไม่สแตสเวเกตตาร์เนา